เราวิ่งลกมันได้ไปหาพอดเทพก็เข้าใจดีแล้วละว่าอะไรเป็นอะไรนี่พอดเทพหวกลับมาบนดอยแห่งนี้ก็คงจะไม่แฉ่เพราะใครแล้วทํามาแจฉกเพ้าะว่าลูกของเราคนเดียวเท่านั้นติดใจลูกเราอะไรกันนักหนาถึงได้เปลี่ยนใจกลับมาอยู่ที่นี่ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ยังรังเกียจความสกปรกและเถอะของบ้านเราอยู่เลยก็อย่ังว่านี่ คนดีๆอย่างลูกของเราใครจะไม่คิดถึงล่ะทำให้ทุกอย่างดูแลเป็นอย่างดีไม่ปิดใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะทีนี้ล่ะเรื่องจะไปกันใหญ่ล่ะมันจะไปยังไงมันจะกลับกลายเป็นรักสามเศร้าไหมเนี่ยเจ้าู้เวก็ชอบของมันมันคงจะตัดใจแหม่รักลูกของเราคงไม่ได้แน่ ในขนาดเดียวกันถ้่าทางของพอเทพคนนูเหมือนว่าจะพอใจลูกของเราอยู่ไม่น้อยก็จะไม่ให้เขาเข้าใจอย่างนั้นได้ยังไงในเมื่อเวลานี้ทั้งพอดเทพลูกของเราวิ่งเข้าหากันแล้วก็จับมือถือแขนกันขนาดนั้นโอ้ยนังลูกของเราเออปากแข็งก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรกับพอเทพแล้ววิ่งลงบันไดไปหาพอดเทพทำไม ลูกน้อลูกเสียน้าพอคนนี้หมดเลยเนี่ยอะไอ้ดางเอ็งเหาอะไรล่ะ เอ็งไม่เคยเห็นหน้าพอเทพบหรือไงล่ะวะเหรอเออเงียบซะรำคาญเสียงของเอ็งเห <c oughs> ลือเกินแลวเว้ยเดี๋ยวจะโยนกระดูไก่ให้กินนะ้ากลับบ้านอะไ ร, ะ ไ, ระไม่ทราบเมื่อไหญ่ฉันกลับมาใช่มะก็ตัดสินใจไปแล้วนี่นาหวนกลับมาแบบเนี้ยแสดงว่าลืมของสำคัญและสิท่าถูกต้องลืมอะไรละ่ะก็ลืมหัวใจว่าที่สาวชาดอยคนหนึ่งน่ะสิจะใครล่ะพใครกันเล่า กำลังกุบื่อฉันแน่นๆอยู่เนี่ยอุ้ยเจ้าเจ้หน้าแดงด้วยเหรอฮะพูดแบบเนี้ยถ้ากิดดูถูกชันนะกล้าเลยฉันจะบอกเธอว่าฉันดีใจเหลือเกินที่เธอยังยินดีต้อนรับฉันอยู่ใครต้อนรับคุณล่ะไม่มีใครอยากต้อนรับคนไม่รู้จักบุญคุณคนหรอกโถโถโถอย่าเจ้าแง่สียนงนักเลยจ้าฉันรู้นะว่าเธองอนฉันที่ฉันไปกับหมอไม่ได้บอกเธอใช่ไหมชะทําไมฉันจะต้องงอนคุณด้วย อย่าสำคัญตนผิดไปสิ <c oughs> แน่าจะนะว่าฮะไม่ใช่อ่ะฮะน่าะยงกว่าแน่อีกจะบอกให้เ <c oughs> ลยใช่อ๋เนี่ยหิวข้าวจังเลยไปกับหมอจะไม่ได้กินอะไรเลยแนละ้วเนี่ยแล้วปล่อยตัวเองหิวทำไมล่ะ <c oughs> ก็ยังไม่ทันได้เข้าไปในอำเภอเลยฉันเกิดคิดมาได้ว่าฉันฝากใจว่าที่เธอต้องกลับมาทวงคืนก่อนก็เลยไม่ได้กินอะไรมันทวงคืนไปแล้วก็ไปได้แล้วสิโอ้โทษๆๆใจคอจะไล่เช้าไล่เย็นเลยใช่ไหมอ ก็เป็นคนพูดเองนี่นาว่าจะมาทวงใจคืนและจะอยู่อย่างไรล่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยแล้วมันยังไงล่ะเพื่ได้มาทวงใจคืนรอกแต่จะมา้เธอดูแลใจต่างหากเล่าคุณเทพคุณพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่ารู้สิจ้าไม่รู้จะพูดไปได้ยังไงอ่ะปะขึ้นไปบนเรือนเถอะฉันจะได้สวัสดีพ่อท่าสักทีกินคุยกันข้างล่างแบบนี้ตัวม่ค่อสวยเลยก็ไปสิ กุมมือฉันไมแบบนี้อจะไปได้ยังไงเราอ้าวฉันกุ ม, มือเธอหรอกเหรอโอ้โหในฉันเผลอไปนึกว่าเธอกุมมือฉันสีกแนะ่จะลงตัวเองไปหน่อยเลย <c oughs> อ้าวอ้หัวเราะเฮหาอยู่นั่นแหละตกลงได้เวลาขึ้นมาบนเรือหรื อ, อยังหลวงพ่อเทพฮะจะขึ้นไปได้นี้ละพ่อเท่าเออเ อ, อ, เ อ, อขึ้นดันมากเลยนะ พเท่าเออไหวพระทุปกคุณลืมอะไรละพ่อจ้ะอือเออคือคุณเทพบอกว่าลืมใจไว้ที่ฉันนะจ้ะให้พูดแบบนี้ระวังจะเสียผีนะพรเทพนะผมยอมเสียผีครับพระเท่าอะไรจะยอมกันง่ายขนาดนั้นไม่กลัวละกลัวอะไรฮะ ไม่กลัวจะโดนคนเข้าขรหาว่าเองเป็นคนกรุงทิ่ใจง่ายหรือเกินไงอะฮะผมยอมโดนครหาครับก็เท่าเออเออออเองนี่มันแปลกดีแฮะผมทนที่ถึงศีลาไม่ได้ครับก็เท่าอะไรกันเพิ่งจะมาอยู่ได้ไม่กี่วันเองเอน้นี่ลองถามใจตัวเองให้แน่แน่ซะก่อนธนาพอเทพนะอืมผมถามใจตัวเองซ้ําไปซ้ํามาแล้วหลายครั้งนะฮะไม่งั้นผมคงจะไม่ให้หมอเลี้ยวรถกลับมาแล้วครับ แล้วไหนละหมอโปรยหมอจอดรถตรงปากทางข้ามหมู่บ้านยอมเดินไปเองนึกไงใช่เพื่อมให้คนได้ยินเสียงรถของหมอชาวไรทุกคนจําเสียงรถหมอได้ดีแล้วไงพูดตรงไปตรงมาก็คือว่าฉันจะเซอร์ไพรส์เธอหศิลามีขึ้นใจอ่ะเซอเซอร์อร์รก็ไม่รู้ที่นี่อไม่พูดกันหรอกเซอร์น่ะก็พูดคําว่าโง่เหมือนควายหรือจ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอเข้าใจาผิดแลศิลา เข้าใจผิดยังไงไม่ทราบอ่ะเซอร์ไพรเป็นภาษาอังกฤษนะแปลว่าทําให้ประหลาดใจให้ตื่นเต้นไม่ใช่ซาซ่าๆอย่างที่เธอเข้าใจหรอกจ้ะอ้าวเ ห, เหรออืมน้าแตกเลยฉันเนี่ยอ่ะไม่พูดด้วยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปตักข้าวให้นะพ่อจ้ะกับข้าวยังเหลืออยู่รึเปล่าอ่ะก็เหลือสิลูกก็ต่างใจเก็บไว้ให้เองนั่นแหละอ้าวนี่สีลายังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันเหรอยังเลยจ้ะเออลูกขามันบอกว่าไม่หิววันนี้จะไม่กินอะไรเลย จะกินทีพรุ่งนี้บ้างใครว่าละ่ะพ่อจันหี่วจะตายอยู่แล้วนะอันั่น อ, นอนแบบนี้ก็ใช่แง่แล้วสิทาใช่อะไรอ่ะพอ่อ <c oughs> ก็ใจเองคิดถึงใครจนลืมกินข้าวไม่ลงหรือว่าพ่อพูดด้วยแล้ว <c oughs> อะไรก็ไม่รู้สิชอบเอาเรื่องของลูกสาวมาเผาอยู่เรื่อยเชียวงอยแล้วนะ <c oughs> รับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ว่าฟ้าประณีคนอย่างฉันอภิหารมีจริงเกิดในหัวใจรู้ชีวิตไม่ได้โหดร้ายรู้ว่าฉันโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้รอคนดีพร้อมมันใจวาดไวและสุดท้ายก็พบเธอ เธอคนที่เป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตที่ขาดได้เจอแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับความขันจากฟ้าส่งเธอลงมาให้หัวใจได้้ ความสวยงามเป็นแบบไหนบางทีเธอคงไม่รู้เลยยที่ฉันได้เห็นเธอมันเป็นความสวยงามกว่าที่เธอคิด ของขวัญลคาใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจรับันันคือความอัศจรรย์กาบางคราวเธอคงอลไปความงามตามใครไม่ใช่ j u า t look h a u t y o u สวยงามที่ใจและสมรับฉันมันคือความอัศจรรย์เหลือกิน Oh o สมบฉันมันคือความอัศจรรย์ที่พบเธอ รับฟังรายการละครวิทยุแม่โซเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment เทพอ้าวสูเวหวัดดีสวัสดีครับดีใจเหลือเกินที่ได้เจอคุณเทพอีกครั้งหนึ่งดีใจจริงๆเหรอจริงสครับผมน่ใจหายหมดเลยเพอได้ยินว่าคุณเทพไปแล้วไปกับคุณหมอแล้วก็ไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วผมคิดยังไงก็คิดไม่ตกว่าทําไมคุณเทพถึงรีบร้อนไปนักทั้งที่คุณเทพก็เริ่มจะคุ้นเคยกับคนบนดอยเสรียงอยู่แล้ว <laughs> ดีใจจริงๆเลยครับเ <laughs> จ้ดีใจเหมือนกันนะสูเว ครับเลือกคุณเทพจะอยู่ที่ตลอดไปไหมครับประเนีนะ้ต้องถามสูเวแ ล, ะละ้ว่ะถามผมเลยครับอืมใช่ผมไปเกี่ยวอะไรด้วยนะครับคุณเทพเกี่ยวซี่เกี่ยวมากเลยนะสูเวผมไม่เข้าใจอยู่ดีอนะ่ะก็สูเวเป็นเจ้าบ้านใช่มหมทำไม่ขออนุญาตจากสุเวแล้วจะชั้นเนี่ยไปขออนุญาตใครที่ไหนละ่ะจริงไหมอ๋ออย่างนั้นนี่เองคนกรุงเทพเนี่ยพูดไทยต้องแปลไทยอีกทีนะครับคุณเทพไม่ต้องขออนุญาตผมหรอกครับ เพผมไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านสักหน่อยผมเองก็อาศัยพ่อเท่ากันอยู่เหมือนกันนั่นแหละสูเวดเปรียบไปก็เหมือนลูกหลานของพ่อเท่าถูกต้องไหมล่ะถูกครับฉันขออนุญาตสูเวก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่เหรอเออก็คือถูกไหมแหมคุณเทพพูดแบบเนี้ผมเขินแย่เลยไม่ต้องเขินหรอกหน้าเออคุณเทพครับือพวกเราอยากให้คุณเทพจยู่บนดอยแม่สลิงตลอดไปคุณเทพจะว่างไงล่ะครับแม่ เรองที่มันพูดยากนะสุเวผูดยากยังไงนะครับหรือว่าคุณเทพมีกิจการต้องกลับไปจัดการอย่างที่พ่อเท่าบอกอย่างนั้นเลยครับคุณเทพตื่นนอนอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จนฉันเปลี่ยนชีวิตตัวเองไม่ได้นะทุกอย่างมันอยู่ที่ตรงนี้เพียงอย่างเดียวนี่ไงนี่ไงนี่ไงนเนเน่เนคุณเทพชี้ที่ <ๆ S 1> อกตัวเองหมายความว่าก็าที่หัวใจไงทุกอย่างอยู่ที่ใจเพียงอย่างเดียวสุเวเข้าใจหรือยังฮะเข้าใจแล้วครับอืม แล้วตอนนี้หัวใจพูดว่ายังไงตัดสินใจว่ายังไงละครับฉันยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรทุกอย่างต้อขึ้นอยู่กับอีกคนหนึ่งด้วยนะใครครับศีลาไงละ่ะคําพูดของคุณเทพทําให้เราสึกเป็นชั่วขนาศีลากับคุณเทพนี่หมายความว่าคุณเทพเปลี่ยนใจกลับมาอยู่บนดอยก็เพราะว่าสีลาเป็นคนเดียวนั่นเองไม่ต้องสงสัยอีกแล้วว่าพวกเขาจะต้องลองเ อ, อ่ยกันด้วยดีก็มีแต่ละคนเดียวที่ต้องเป็นฝ่ายเดินทางให้พวกเขา แต่ไม่เป็นไรหรอกขอเพียงให้คนที่รักกันมีความสุขจะแต่งงานกับใครก็ได้เท่านั้นเขาสุขเราก็สุดด้วยเราไม่จาเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันแล้ว เครับคิดอะไรอยู่เหรอเปล่าแล้วครับแน่ใจนะว่าไม่มีอะไรแน่ใจสิครับแล้วนายว่าไงอ่ะว่าอะไรครับก็ชั้นกับศรีลาไงก็ดีครับดีมากๆเลยครับจริงหรอสูเวก็จริงนะสิครับนายไม่กี่กันเราสองคนเหรอโอยผมจะทำอย่างนั้นทำไมล่ะครับผมยินดีเป็นอย่างยิ่งเชครับขอบใจมากนะสูเวครับไม่เลิกเลยนะว่าชาวดอยแม่สเลียงจิบคนน่ารักมากขนาดนี้ เราโชคดีมากๆเฉรอะที่มีโอกาสมาสัมผัสกับตัวเองแบบนี้นะครับคุณเทพอ๋อคุณเทพกินข้าวมาหรือยังครับอ๋อเรียบร้อยแล้วนายหลักกินหรือยังอ่าเรียบร้อยแล้วครับศิลาทำก๋วข้าวอร่อยมากเลยใช่ครับศิลาเหมาะสมจะเป็นแม่บ้านแม่เลือนครับอืมนายผู้ถูกต้องแล้วล่ะครับแล้วนายลักษูเวทำไมครับเมื่อไหร่นายจะยอมเปิดใจรับสาวชาวร้อยแม่สเลียงสักคนหนึ่งฮึคุณเทพจะไม่มีวันรู้หรอกว่าเวลานี้ เรากำลังรักใครอยู่เราไม่อยากเป็นมือที่สามไปทำลายความรักความฝันของใครบางคนสำหรับหนุ่มบางกอผิวขาวพองอย่างคุณเทพคือเทพบุตรในฝันของศิลาเราต้องให้การสนับสนุนให้คนที่เรารักมีความสุขมากที่สุดรักคือการให้พระเจ้าสอนไว้รักคือการให้รักคือความสวยงามเมสเียงที่รัก คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนปริศนียบัตรหรือจดหมายแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตูปปออ้ปนศออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่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 สวัสด so ีครับ